ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณกำลังปราบรเรื่องคุณสมบัติของความเป็นครูที่เชื่อมโยงมาจากครูวิศวมิตรซึ่งคุณสมบัติของครูวิศวมิตรจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่ทราบไปนะแต่ว่าในพระคัมภีท่านก็แสดงคุณลักษณะของครูไว้เป็นเจ็ดประการด้วยกัน คยเห็นว่าเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วก็ทันสมัยอยู่แม้ในปัจจุบันถึงนำมาเสนอบันก่อนก็พูดมาจนถึงวั ด, ดาที่แปลว่าอุตสาหสั่งสอนพร่ำสอนปึกปลืออบรมลักษณะาการสอนนั้นถ้าเรายึดแบบพระพุทธเจ้าก็คือแสดงเรื่องเหล่านั้นได้ชัดเจนจาก รูปธปรรมไปหานามธรรำจากใกล้ไปหาไกลจากรู้ไปหาไม่รู้จากเข้าใจไปหาไม่เข้าใจจากตื้นไปหาลึกจากง่ายไปหายากเราจะเห็นว่าธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยถ้าเราเข้าใจตัวเนื้อหาเข้าใจภาษาเขานะะมันจะนึกถึงภาพอีกอย่างหนึ่งแล้วเราอธิบายตามภาพเหล่านั้น เช่นสมมติว่าทรงแสดงให้ทำจิตเสมอด้วยน้าเสมอด้วยไฟเสมอด้วยลมเสมอด้วยแผ่นดินแล้วเราก็คิดจากแผ่นดินคิดจากน้าคิดจากลมคิดจากไฟแล้วก็หยิบโอระเดนตรงไหนมาก็ได้เพราะตรงนั้นมันเป็นรูปธรรมเช่นเวลาสัมผัสอารมณ์ซึ่งกระทบทางประสาทสัมผัสเนี่ยแต่เราทำใจเสมอดินได้เราก็ไม่ยินดียินร้ายอะไร ในอารมณหลดนั้นเขาด่าก็เท่านั้นเน่ะเขาสันเสริญก็เท่านั้นเน่ะเขาด่าก็บาปของเขาก็สันเสริญ ก, ก็เป็นความดีของเขาถ้าเราดีก็เราดีเท่าที่เราดีไม่ใช่บอกเขาสันเสริญแล้วไอ้ประหลอดวัดความดีของเราขึ้นปวดพวดพวดขึ้นไปก็ไม่ใช่อ่ะเราดีเท่าที่เราดีหรือเขายกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นเขาชมว่าเรามีความรู้เนี่ยถามว่าความรู้เราเพิ่มขึ้นหรือไม่ ก็เปล่าความรู้เราก็เท่าเดิมหลายปีมาแล้วนะมีการมาติดต่อที่จะให้ปริญญาดุสเดีบัณฑิตกิติมศักยธาตมเราก็ถามว่าเวลาคุณให้เนี่ยเวลาตรรมรับปริญญาของคุณเนี่ยความรู้มันจะขึ้นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่เพิ่มไม่เอาหรอกร ก, กุติคือเราจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ที่จริงมันไร้สาระ มันไม่ได้ช่วยเพิ่มอะไรให้แก่เราแล้วมันก็เข้าไปในสูตรเรื่องอื่นๆว่าการยกย่องกันสรรเสริญของคนเนี่ยที่จริงมันเป็นความดีของเขาที่เห็นความดีเป็นความดีเห็นความชั่วเป็นความชัว่วแล้วยกย่องตำหนิไปตามสมควรแก่กรณีเขาก็ปฏิบัติธรรมของเขาดนะังนั้นถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ได้เราก็จะไปเน้นที่กฎเกณฑ์ของกรรมที่เราต้องรับผิดชอบเอง ไม่ได้ใส่ใจว่าใครจะยกจ้องหรือใครจะตำหนิหรือใครจะให้ลาบหรือว่าไม่ให้ก็แล้วแต่เรื่องของเขาแล้วถ้าประเด็นตรงนี้มันก็เลยไปถึงตรงอื่นอย่าบางทีชาวบ้านเนี่ยบางคนนะ่นะได้ข่าวอะไรไม่พอใจพระบางรูกขึ้นมาบอกเราเห็นพระเดือนนี้ไม่อยากไหว้จใครเขาว่าอะไร คก็จะเห็นว่าโดยความรู้สึกของผู้เป็นพระเนี่ยไม่ได้ใส่ใจใครไหวไม่ไหวเพราะถ้าเราดีเราก็ดีเราไม่ดีเราก็ไม่ดีไม่ใช่พอเขาไหวแล้วเราจะเป็นคนดีขึ้นมาหรือพอเขาไม่ไหวแล้วเราจะเป็นคนเลวขึ้นมาก็ไม่ใช่ฮะถ้าเขาไหว้เนี่ยเขาได้ทําทดีของเขาถ้าเขาไม่ไหวเขาก็ทําลายโอกาสในการทําทำความดีของเขาหรือยิ่งด่าก็ไปการเพิ่มบาปไปแก่ตัวเองแม้พระองค์นั้นจะไม่ดีเนี่ย ก็ถ้าเราไปด่าเนี่ยด่าลมดา่ดาฝนด่าแดดอะไรก็บาปเนี่ยเพราะว่าด่าด้วยจิตที่ขุนจิตที่มีโทสะคือไม่พอใจอะ่ะก็ด่าออกไปนันกระบวนการของกรรมจริงๆเหมือนเป็นกระบวนธรรมชาติอะมากมาตรงนี้แม้จะอบรมด้วยสมมติเรามองด้วยลมนะเห็นไหมลมมันพัดผ่านของสะอาดของสกปรกแล้วเสร็จแล้วมันไม่ติดมันทิ้งไว้ตรงนั้นอะ ติดไปหน่อยเดียวไปเดียวก็หายแล้วยันแสดงว่าการไม่คล่องในอารมณ์ต่งางๆเราก็คิดอะไรไปได้เยอะวิธีในการอธิบายเนื่องจากวิชาบางวิชาเนี่ยมันเป็นนามธรรมแต่พระพุทเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะธรรมะนี่มันมันเป็นนามธรรมส่วนใหญ่นอกจากกลุ่มทุกข์สัตย์นะนะกลุ่มทุกขสัตย์บางอย่างเนี่ยตัวนามธรรมมันอยู่ที่รูปธรรม ในเะช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันอยู่ที่รู ป, ปรธรรมคือร่างกายของคนเราก็พูดว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายที่จริงมันไม่ใช่หรอกไอ้คนก็คนนะฮะความก็ความเพียงแต่ว่าความมันไปอยู่ที่คนเลยก็ดูง่ายอธิบายง่ายตัวความแก่นี่ลักษณะเป็นยังไงมันเกิดที่คนเนี่ยเป็นยังไงผมผมหอกงอกฟันหัก ตาพรามัวเดินเหินไม่เคยคล่องมืดหน้ามัวตาอะไรต่างๆเนี่ยมันอธิบายได้แต่ที่จริงแล้วตัวความแก่ความตายความเจ็บเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่รูปธรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สื่อก็ได้ทีนี้พอมาถึงพวกกุศลอกุศลมันก็กลายเป็นนามธรรมได้ชัดเจนการอธิบายจึงต้องอาศัยรูปธรรมเป็นสื่อ ข้านี้ลองสังเกตว่าบทอายานทั้งหลายที่ท่องกันในสมัยเด็กเนี่ยมันพจที่สร้างขึ้นเป็นภาพได้ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆหรือแม้แต่คำคมๆของสุนทรผู้ิ่นตอนพระภัยหนีนางผีเสื้อสมุดเรือเท่าเจ้าศินุราชแตกกันฮะลเรือแตกตอนนั้นไม่ใช่เรือไปเจ้าสินุราชเรือมันแตก แล้วก็นางผีเสื้อสมุตรก็ตามไ ล, ล่ล่ามันมีภาพเราเห็นเป็นภาพเอมเก่งจริงๆการใช้คำเนี่ยพอเราฟังแล้วเราเขียนเป็นกร อ, ไ, อไม่ใช่เขียนเป็นภาพได้ก็ความตอนนี้ว่าแสนสงสารพระภัยมปไรลักหนีนางยักษ์มาถึงหน้าภูผาเผืนจะขึ้นไปก็ไม่รอดเป็นยอดเนินในสูงเกินแรงกายจะป่ายปีน เห็นจวนจนบุญภาวารณาล่ำบริกรรมคาถารักษาศีลย่บาบ่าวไพรไทยแขกฝรังจีนมาถึงตีนเขากว้างข้างคีรีมันเล่ น, นสนอินด้วยนะสระอินด้วยสีคำเอาไปเล่นหมดแล้วก็กลายเป็นภาพลักษณ์ที่สามารถสะเก็ตออกมาเป็นภาพได้เรียกวันนี้คือความสามารถในการอธิบายอธิบายความฝันตัวเองเเออกมาเป็นรูปธรรม แลาคนก็สามารถจินตนาการต่อได้เข้าใจได้อันนี้ก็คือความสามารถในการอบรมพร่ำสอนสั่งสอนตักเตือนอะไรก็ตามคือต้องแสดงเรื่องเหล่านั้นได้ชัดเจนถูกต้องเหมาะสมสมบูรณ์ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการคิดค้นฝึกปรืออบรมกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราต้องเข้าใจเองถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราอุปมาเทียบเคียงอะไรไม่ได้ ถ้าอุปมาเทียบเคียงได้มันก็ง่ายต่อการที่จะสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเยาวชนยุคนี้หรือแม้แต่เจ้าชาติตถะยุคนั้นเนี่ยมันก็เป็นคนที่พร้อมจะรับรู้เรียนรู้แล้วได้ในเวลารวดเร็วประการต่อไปคืออดทนว่นจะนักขโมยเนี่ยอดทนต่อท่อยคำคำกล่าวคำพูดกริยาก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายไะะร้รงต่างของเด็กเนี่ยก็เด็กก็คือเด็ก คือต้องตั้งหลักไปเลยว่าเด็กก็คือเด็กไม่ไปเอาเรื่องเอาราวอะไรแก่ละเรามีหน้าที่ฝึกปลือแก่แก่ก้าร้าวมาเราก็ต้องพยายามลดความก้าวร้าวของแก่ก็ไม่เรียบร้อยก็พยายามลดเอาบางครั้งบางคราวเนี่ยวันก่อนยังนึกคือจังหวัดประตันทีเนี่ยในชีวิตเนี่ยเคยไปพูดสองครั้งสามครั้งมาแล้วโรงครูจะเรียศึกษา แล้วก็ตามสเสด็จสมเด็จประสังกราชตั้งแต่วศ .2532 คือสมเด็จจะรับสั่งกับที่ประชุมตรงนั้นพอครบสามสิบนาทนนีท่านท่านก็นโยนหน้าตมานะต่อไปนี้ก็ขอให้ควังเจาคญโสมพลพูดแล้วก็ต่อกันไปแล้วก็เมื่อวันที่สิบหกเนี่ยรกระดาก็ได้ไป ในโอกาสที่เขาจัดงานขึ้นของพุทธสมาคมของผู้ว่าของอะไรอะรกหลายฝ่ายแล้วก็จัดกันในห้องหรูหรามากโรงแรมชั้นหนึ่งเลยแต่เราเสียดายว่าเด็กนี่คุยกึกกึ๊กกึ๊กตลอดระยะเวลาที่วิทยากรบรรยายสองคนพอมาถึงท่านสโสสมนวยท่านเลยก็เล่านิทานเสกเสร็จเลย หรือเป็นทิมกเขท่านนะท่านพูดได้แต่เราก็ไม่อยากพูดเพราะว่าเขามากันอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องคิดเองบ่ายจะไปดุไปว่าอะไรรายกันในที่ประชุมอย่างงั้นก็เสียเวลาก ป, ปล่าแต่นี่นก็คือแสดงว่าเราต้อง a u t o n อ m น, นะเพราะเขานี่มนต์เราไปพูดแล้วคนเหล่านั้นก็ถูกเชิญหมายฟังเราก็รับหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องที่เขาเชิญมา เขาก็ต้อรับผิดชอบในเรื่องที่เขาเชิญมาเหมือนกันที่จริงถ้าคนเรารับผิดชอบแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปพูดวายอะไรกันม า, าแต่เขาอะไรมาก็อดทนเอาทอนนั้นเอ ง, เองทางานให้เสร็จรับผิดชอบเฉพาะเรื่องของเราสการต่อไปนั้นคือมีความสามารถในการอธิบายก็เรียกคําพีรังกะถังกัตตาคือก็ย้ายคําอธิบายได้ลึกซึ้งโดยลําดับ ไ้าเราสังเกตนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกคือพูดง่ายๆนะที่จริงพูดเรื่องเดียวอย่างได้เลยพูดประพฤติดีอย่างเดียวกันได้แต่นั้นถ้าเรามองแนวแล้วเนี่ยมันประมาณสักสามสี่แนวแนวหนึ่งก็คือให้กำหนดรู้ทุกขละสมุทยัย แล้วก็ทำในโรดให้แจ้งแล้วก็เจริญมรรคนั้นแนวอริยสัจสี่แนวหนึ่งก็คือป้องกันชั่วขจัดความชั่วเพิ่มความดีรักษาความดีก็แนวเขาเรียกว่าแนวสมมวิยมะคือความพยายามชอบแนวที่สองแนวที่สามก็คือแนวละบาปบาเพ็ญบุญแนวที่สี่ก็คือการบาเพ็ญความดีซึ่งเป็นการสอนมากที่สุดในเรื่องตรงนั้น แล้วมันจะมีจุดบรรจบมันเองเราจะสอนจากเรื่องอะไรก็ได้อย่างคล้ายๆที่เคยเล่าให้ฟังถึงพูะเจ้าให้กรรมฐานแก่พระญาติซึ่งออกบวชห้าร้อยรูปทั้งกรุงเทวตาหะและกรุงกบิลพัสเนี่ยเรียกว่าให้กรรมฐานทีละรูปแล้วส่งไปเจริญกรรมฐาน แล้วเมื่อส่งองค์สุดท้ายออกไปเนี่ยองค์ที่ห้าร้อยบรรดาองค์ที่หนึ่งก็เข้ามาส่งองค์ที่ห้าร้อยออกไปในองค์ที่หนึ่งก็กลับมาเพื่อรายงานความสําเร็จว่าบรรลุมรรคผลแล้วยังไม่ทันพูดองค์ที่สองก็มาองค์ที่สองไม่ทันพูดองค์ที่สามก็มาท่า น, นจะเห็นว่าธรรมะมันก็มีวิธีสอนที่แตกต่างกันทล้วนั่นเองแต่ว่าเนื้อหาสาระเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกัน ในเช่นสมมติเราจะเริญสมาธิเนี่ยจ ะ, จะเจริญกับอารมณ์อะไรก็ช่างนั่งดูขี้หมายังได้เลยต่ให้จิตมันสงบจากนิวรณ์ก็ถือว่าเป็นสมาธินั่งดูใบไม้สับใบนั่งดูน้ำไหลก็ได้นัดูอะไรก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรเพื่อให้จิตมันเกาะแล้วก็สงบอยู่กับเรื่องเหล่านั้นกท่นั้นเองพ้ความสามารถในการอธิบายเนี่ยคือบางทีเนี่ย เราไม่สามารถที่จะพูดเรื่องๆอย่างอื่นได้ถ้ามคนเนี้มันพูดไม่ได้ขอก่อนนะอย่าฆ่ากันนะขอแค่นี้ยขอแค่นี้ก่อนแต่ว่าการพูดไมมเขาฆ่ากันนะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันคือถ้าเขายัางไม่โกรธกันอยู่เนี่ยมันพูดง่ายหน่อยแต่ว่าโกรธกันกำมังคึมพึมกันอยู่เนี่ยจะฆ่ากันแล้วเราเข้าๆไปพูดตรงกลางเนี่ยเรื่องใหญ่เลยแต่ทีนี้คนบางคนเนี่ยเขาไม่ฆ่ากันแล้ว ก็ไม่ได้ถึงกับประทุษร้ายรุนแรงกันเราก็ไปพูดอีกต่อนหนึ่งคืออย่าเบียดเบียนกันทีนี้เมื่อเห็นว่าเขาทําได้แลว้วเขาไม่เบียดเบียนกันอยู่แล้วก็ทํายังไงอย่าไปยกย่องสรรเสริญเวลาเขาไปทําชั่วเพราะมันจะได้ใจจะ ก, กําเริบเสพสารจะทําทชั่วกันจนเพลินแล้วก็ทํายังไงว่าใจเราเนี่ยให้มีเมตตาปรารนาดีต่อเขา เนี่ยก็พูดลึกไปเรื่อยๆก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องเดียวกันนั่นแหละให้เราสังเกตว่าเมตตาเนี่ยมันเริ่มมาจากสีข้อที่หนเริ่มมาเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆไปสีละเอียดลึกซึ้งขึ้นเท่าไหร่ก็ตามมันไปยึดโยงอยู่กับเมตตานในส่วนที่เกี่ยวกับเราอะนะแม้แต่กินจับจับกินสุดสดกินเรียมือเนี่ยนะที่จริงแล้วเนี่ย มันอาศัยเมตตาต่อตัวเองคื อ, อทำอย่างนี้มันเสียชื่อมันไม่สุภาพไม่เรียบร้อยแล้วก็เสียชื่อวัดวาอารามเสียชื่อพ่อแมนะ่ใจมันก็นึกถึงคนอื่นแล้วก็ปฏิบัติสำรวจประวัตทีนี้ถ้าใจเมตตาเป็นฐานจะแล้วเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องรุงร้างหรอกไม่ต้องไปนับต่อจบนั่นก็คือแนวในการอธิบายคืออธิบายจากตื้นไปหาลึกจากง่ายไปหายากจากใกล้ไปหาไกลยอย่างที่ว่า เพราะในอการอธิบายเหล่านี้มันเริ่มแรกเริ่มแรกก็คือชัดเจนนะสันทัศนาคือแสดงเรื่องอะไรได้อย่างชัดเจนเราลองดูตัวอย่างที่ท่านสะท้อนภาพของฤาษีจากเกาะแก้วพิสดารนะมาช่วยสุดสกคนเะนี่ยมันเป็นภาพสวยมาก ปเดี๋ยวเสียงเงงงังว่องเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลจะแง้าหาอหนโยคียขี่รุ่งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปนั่งอย่างบรรพฤษแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์เป็นแสนสุดฤึกล้ร่และกาหนดเป็นเทววันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลถก็ไม่คดตเป็นหนึ่งในใน้ําใจคนมนุษย์นี้ที่รักสองสถานบิดามารดารักมเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้คือกายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นยังเจตนารมณ์เป็นาาปด้วยว่าไปเลยท่ามันสวย แล้ก็แสดงให้เห็นว่ามันสามารถที่จะสะท้อนภาพจากจินตนาการตัวเองให้คนอื่นเกิดจินตนาการร่วมด้วยแล้วก็เห็นเห็นค้าวตาเป็ดภาพเป็นความรักความบุญความเปรตปรารถนาดีของท่านฤาษีจากก่อแก้วพิสดารที่มีต่อสุทธิคอด แล้วก็สมาดปนาคือเชิญชวนชักชวนให้ผู้ศึกษาไน้เห็นตามพร้อยตามจนถึงปฏิบัติตามบางครัง้งบางคราวต้องปลุกเร้าเลยนะปลุกเรา้าเช่นมีคราวหนึ่งตั้งแต่ปศตสองผ่าหาร้อยห้าไม่ต้องผานารอยี่ิห้าน่ตอนนั้นมันมีศาสนภัยเกิดขึ้นมาเยอะเลยมาเป็นวิทยากรได้รับการนิมนต์ไปบรรยายอบรมในที่ต่าง แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ให้อบรมมีตอนบ่ายโมงคือพระนี่บ่ายโมงท่านปกติมักจะจำวัดนะมักจะพักบ่ายโมงถึงสองโมงเนี่ยแล้วก็มาให้ฟังเรน้นต้องเป็นการพูดในลักษณะที่เหมือนกับปลุกระดมเลยคือให้ท่านตื่นอยู่ตลอดระยะเวลาเลยมีความกระตือร้นมีความพอใจที่จะติดตาม บางทีก็ฟังเทปมาเนี่ยคนก็ตกใจนะว่าปลุกระดมเพราะว่ามันก็มีวิธีอ่ะวิธีที่ถ้าไปงั้นถลับหมดหรือจะพูดเรียบๆช้าๆแบบพระเทพอินเสต จ, จะหลับหมดเลยแล้วก็ใช้วิธีที่จะดึงความสนใจของท่านให้อยู่กับเรื่องตรง น, นั้นเพราการอธิบายขยายความเนี่ยเป็นเป็นความสามารถในเรื่องนั้นๆ จนถึงกับปลุกเราก็าเรียกสมมติเตชนานะฮะปลุกเราให้เกิดทึกเขิมเกิดพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติเกิดพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าควันอุปสรรคอันตรายไม่หวั่นไหวไปตามกระแสลุมคู่คุกคามอะไรของใครก็ตามนนะจะมาถึงจุดหนึ่งก็เรียกสำบันศาสนาคือเพลินผู้ฟังนี่เพลินมันเข้าไปร่วมมัอเข้าไปอยู่ในกิจกรรมตรงนั้นทีนบางทีเราก็มองเหมือนกันนะว่า บางทีไปฟังเขาพูดเขาบรรยายเนี่ยสามสี่ชั่วโมงแล้วฟังเฉยๆก็ไม่เห็นเรื่องร้อนอะไรแต่คนบางคนในกระสับกระส่ายอึดอัดแล้วแต่ต้องพูดดีๆนะฮะพูดดีๆจะฟังได้สบายคือมันมันต้องมีเหตุมีผลมีหลักมาที่อึดอัดมากเนี่ยคือพูดแล้วก็บิดเบือนคําสอนว่าพระเจ้าแล้วก็ยกกคาถาของอาจารย์ตัวเองมาพูดเชิบเชิดอย่างเงี้ยแต่เนี่ยพระเรามีจํานวนไม่น้อยที่ไปชอบเอาอะไรของใครมาไม่รู้มาพูด แล้วก็อ้างว่าเป็นพระพุทธภส ษ, ษ, ษิตคือถ้ายกพุทธภส ษ, ษิตขึ้นมานะแล้วก็อธิบายขยายความไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะทีนี้ถ้าหากว่าเอามาโดยละเลยอย่างเงี้อยอย่างพูดว่าผีไม่มีจริงอะไรเนี่ย mm hmm. ก็คุณว่าเอาเองแต่ถามในพุทธศาสนาว่าอย่างไงเนี่ยว่ามีนะผีก็มีอ่ะผีข้าภิกษุ นีก็นียกเว้นให้หยุดสวดปฏิโมกได้เพื่อพยาบาลภิกษุเหล่านั้นหรือว่าภิกษุที่ผีสิงเนี่ยไปกินเนื้อดิบๆปลาดิบๆหมูดิบๆอะไรก็ได้ไม่ไม่ต้องอาบัดแต่พระนิชันไม่ได้นะพระทั่วไปนิชันไม่ได้เพราะมั น, ม, นมันเป็นเรื่องความเข้าใจของเรามันไม่ใช่เรื่องแสดงหลักธรรมในทางวัฏสนา์นรกสวรรค์มีจริงไหมก็มีจริงจริงตามที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็น ยังชอบใจฝรั่งท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่าชีของพระพุทธเจ้านะ่ะองค์อาจเป็นการพูดเรื่องธรรมดามากเลยพูดเรื่องนรกสวรรค์ไม่ใช่พูดเสแสร้งหรือพูดตามคําเล่าลือหรือพูดตามที่เขาบอกแต่มาแสดงถึงสัมผัสเองท่าทีองค์อาจมากแล้วก็เชื่อมัน่นแล้วก็ตรงกันทุกคนทุกแข่งด้วยนี่ฝรั่งเขามองอย่างนี้แต่ยังเช่นชมอื่นฝรั่งเลยเขาเข้าใจคิด คือพูดเป็นภาษาธรรมดาเมื่อเราพววูดกับสนามหลวงมีงานตอนเนี้ยในโบสถ์พระแก้วมีกิจกรรมยังไงก็พูดธรรมดาเพราะอะพราะมันมีจริงอะมันเป็นเรื่องจริงหรือพูดเรื่องจริงมันพูดธรรมดาไม่ต้องมอีพิเศษอะไรขึ้นมาแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็เรียกว่าโนจัตฐานเนนิโยชเชย์คือไม่ชักนําในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแก่นักเรียน ถ้าลองสังเกตว่าบ้านเราเนี่ยบางชีมันไม่มีหลักเกณฑ์ให้แล้วก็ผู้ใหญ่อย่างยกกรณีเนี่ยตัวอย่างที่มีการปีนทำเนียบรัฐบาลรัว้วทำเนียบรัฐบาลกลางคืนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยบ้านเอกชนมันก็ผิดแง้แง่อยู่แล้วอะ่ะมันไม่ใช่ว่าคนจนลราต้องเป็นอพิสิทธษชนแล้วก็นักวิชาการนักการเมืองด็อกเตอร์ดอกแแบกออกมาพูดอะไรกันเลย จงตีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วจะให้เขาทำอย่างไงอ่ะไอ้นี่คือหน้าที่ราชการมันเป็นภารกิจที่กําหนดกฎหมายก็วางไว้บ้านมือมันต้องมีคือมีแปรอย่างนี้แหละก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแหละรือถ้าเราไม่ต้องการให้ตํำรวจดําเนินการกับเราเราก็อย่าไปทําให้ผิดกฎหมายเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้อันนี้คือปัญหาที่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันใช่อารมณ์มันใช้อคติตัวเองเนี่ย แล้วก็ไปตําหนิติเตียนคนซึ่งทําตามกฎเกณฑ์แล้วก็มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวมันตลอดนะ น, นี่คือปัญหาที่ที่เราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าไปแนะนําในสิ่งที่ไม่ควรจะแนะนํามันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาทีนี้ถ้าคนกลุ่มหนึ่งนัเออเห็นก็ทําได้เนี่ยมีด็อกเตอร์คนนั้นก็มาแก้ต่างให้สํานักนั้นกลุ่มคนนั้นหรืออะไรสมัชชนนั้นโยกย่องสันเสริญกันแล้วก็ทํากันอย่าง้รทําอย่างไง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ม, มาเป็นพันๆแล้วบ้านเมืองเนี่ยมาต้องดูแลคนอยู่แค่พันคนนั่นเองแล้วทํำยังไงอ่ะคนอื่นอยู่ยังไงอันนี้คือสิ่งเดี๋ยวต้องคิดเยอะนะมันต้องมีเหตุผลไม่ใช่ว่าเนี่ยบ้านเมืองเราที่ป่วนเนี่ยมีบ่อยนีหลายครั้งนะที่มันเกิดตรา จ, จนขึ้นมาเพราะอาจารย์ไม่ได้ปลูกกระดมอยู่หน้ากระดานแล้วพวกนี้ก็ไม่ได้สา น, นึกรับผิดชอบอะไรเวลาเกิดความเสียหายขึ้นในบ้านในเมือง ไอ้นี่คือข้อห้ามอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นครูเนี่ยคือไม่จักนำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรอัถยาศน์คือเป็นไปไม่ได้นะคือไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลายเนี่ยเรื่องไม่ดีไม่งามทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ควรไปพูดกับเด็กแล้วเวลาพูดแล้วครูก็เป็นปูทถชุดนี่นะมันไม่จะเป็นเทวดามาจากไหนเสร็จแล้วก็พูกกระชายอารมณ์ตัวเองเปรียงปรางออกไป เด็กก็เห็นตามร้อยตามในที่สุดก็ไปปลูกระดมร่วมกับเด็กบ้านเมืองเลยไม่มีเกณฑ์อะไรไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไรอย่าลืมว่าแบบอย่างที่ไม่ดีนยะมันเรียนกันง่ายแบบอย่างที่ดีเลียนยากเป็นภารกิจของครูที่จะนำสิทินิทวนกระแสอารมณ์ทวนกระแสสังคมทวนกระแสกิเลส ข, ขึ้นไปเพื่อให้เป็นคนที่มีความรู้ดีแล้วก็ความประพฤติดี โดยมีคุณธรรมเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นคนที่มีคุณค่าต่อตอนเองต่อครอบครัวต่อสังคมคุณภาพคนพชากรเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาภูเขาทีเดียวต้องฟังทังหลายแต่รลวงพ่อทิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบูรในธรรมจมุมมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี